ช่วงนี้ก็เป็นหน้าทุเรียนนะทุเรียนก็หาได้ง่ายขึ้นแล้วคนก็นิยมกินทุเรียนกันมากขึ้นด้วยแต่ว่าต้องระวังนะสองสามวันก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกินทุเรียนแล้วก็หลังจากกินทุเรียนนี่ก็ช็อกเลยนี่พาส่งโรงพยาบาล แต่ที่จริงเนี่ยไม่ได้ช็อกพอะทุเรียนล้วนๆนะเพราะว่าหลังจากกินทุเรียนแล้วเนี่ยก็กินเบียร์ตามเข้าไปด้วยสองขวดกินไม่ทันหมดขวดที่สองเลยนะช็อกทันทีเลยต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลระหว่างที่อยู่บนรถพยาบาลนี่ก็ชักนะ ก็ต้องะถมพยาบาลกันเป็นการใหญ่โชคดีนะรอดตายเจ้าตัวนี้ก็ดีใจมากเลยนะที่รอดตายนะขอบอกขอบใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็โรงพยาบา ล, mm hmm. ลวเธอก็เล่าว่าเนี่ยวันนั้นเนี่ยคืนนั่นเดือนนะ่ะกินทุเรียนไปสามผู แล้วก็ตามด้วยเบียร์สองขวดแต่ยังไม่ทันจะหมดขวดที่สองเลยนะโอ้อยู่ดีก็ร้อนวูบขึ้นมาเลยแล้วก็แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหมือนกับมีอะไรเนี่ยขวางคอขวางลำคอไว้ติดคอก็เลยชักเนะ ดีนะที่รอดตายถ้าไม่ถูกพาส่งโรงพยาบาลอย่าง ท, างทันท่วงทีก็คงจะตายนะก็ <kee> <G> มีคนบอกว่าเนี่ยเธออุตรินะลองของมีที่ไหนนะกินทุเรียนแล้วกินเบียร์ตามาเงี้ยเธอบอกมเให้ลองของ <och> แต่ตอนนั้นมันลืมตัวไป ลืมไปว่ากินทุเรียนแล้วกินเบียร์นี่หรือกินเหล้านี่มันเป็นอันตรายลืมตัวนะในความลืมตัวนี่แม้กระทั่งระหว่างกินอาหารเนี่ยมันก็ทำให้ถึงตายได้พอลืมตัวเนี่ยมันก็ลืมนะว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินโดยเพราะเมื่อมีของชอบนะ ผู้เรียนก็ชอบนะเบียร์ก็ชอบนะพอเห็นของชอบเนี่ยนะโอ้มันลืมตัวได้ง่ายนะพอกินแล้วก็ไม่ทันยังคิดเนี่ยบางทีก็รู้นะว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกมันไม่ควรแต่ตอนนั้นมันเห็นแต่ความเมดอร่อยเห็นแก่เอ่อจะเรียกว่าเห็นแก่ปากก็ได้ หรือที่จริงเขาเห็นแกกินเลนนะไอ้ที่รู้มามันลืมหมดเผลอๆ อ, อาจจะลืมไปด้วยนะว่าลืมกินทุเรียนลืมว่ากินทุเรียนไปเห็นเบียร์เข้าก็อ๋อลืมหมดเลยนะอย่างอื่นนะพอซัดเบียร์เข้าไปเกิดเรื่อง ที่เกือบตายเนี่ไม่ใช่เพราะกินยาพิษนะไม่ใช่เพราะว่ากินยาฆ่ามแมลงนะไอ้ที่กินของดีทั้งนั้นและเป็นของชอบคนเราเนี่ยของที่ไม่ชอบนี่มันไม่ค่อยทําร้ายเราหรอกนะไอ้ของที่ชอบต่างหากที่มันสามารถจะทําร้ายเราได้เพราะว่าพอเจอของชอบแล้วมันก็ขาดสติปกติเนี่ย คนทุกวันนี้ก็สุขภาพย่ำแย่ก็เาของชอบนะน้ำตาลเลยไขมันเลยเนี่ยของทอดของย่างของปิ้งของหวานแต่ส่วนใหญ่นี่มันของชอบนี่มันมันทำร้ายเราแบบตายผ่อนสงนะแต่กรณีนี่มันทำร้ายแบบทันทีทันควันเลยยังไม่ทันกินเบียหมดขวดเลยนะพอกทันที แล้วคนเราก็เจอของชอบเขาเนี่ยมันมันขาดสติได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสติมันยังสำคัญมากนะไม่ใช่เฉพาะเวลาขับรถนะไม่ใช่เฉพาะเวลาทำงานแม้กระทั่งสิ่งที่มันดูมันธรรมดาธรรมดาคือกินนะกินอาหารหรือว่ากินของชอบนี้ ย, ยิ่งต้องมีสติเข้าไปใหญ่จ้าแต่ความชอบอย่างนี้ไม่พอนะมันต้องใช้ปัญญา พิจารณาแต่ปัญญาพิจารณาได้มันต้องมีสตินะไม่งั้นมันลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ลืมทุกอย่างที่เขาห้ามอะไรไว้เตือนอะไรไว้มันลืมหมดอันนี้ยังไม่นานนะเพร่ว่ากินแล้วติดคอเนี่ยก็ของชอบเหมือนกันนะแต่ว่าเคี้ยวไม่ละเอียดหรือว่ากินไปด้วยคุยไปด้วยนะนั้นแม้กระทั่งเวลากินเนี่ย ไน่เนช่วงเวลาที่เรามีความสุขนั่นก็ต้องมีสติการเสพเนี่ยนะไม่ว่าเสพอะไรนี่ต้องมีสติไม่งั้นเกิดโทษได้ง่ายและไม่ใช่แค่เสพอาหารอย่างเดียวนะเดีย๋ยวนี้เราเสพข้อมูลเงนเยอะต้องระวังด้วยต้องใช้สติไม่งั้นจะไปสร้างปัญหาให้กับตัวเองและคนอื่นเมื่อสองสามวัน ก, นก่อนก็มีข่าวนะมีคนเนี่ยแพร์ข้อมูลว่า การผายลมเนี่ยช่วยรักษาโรคไตได้ผายลมคือตดนะนะที่แล้วเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคไตนี่ถ้าตดบ่อยๆนี่มันจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นนะอ่านข่าวแล้วมันชวนให้เข้าใจอย่างนั้นแต่จริงไม่ใช่นะเพราะว่าไม่ใช่ตดเองนะแต่ว่าไปดมตดคนอื่นนะช่วยรักษาโรคไตได้มีอย่างนี้ด้วยนะใครที่เป็นโรคไตนี่ถ้าไปดมตดคนอื่นนี่มันจะ ช่วยทำให้โรคตายมันทุเลาเบางมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามีคนเชื่อข้อมูลแบบเนี้แต่คงจะมีเยอะทีเดียวนะเพราะไม่งั้นเนี่ยหน่วยราชาการเช่นกระทรวงหาสุขนี่ไม่ออกประกาศนะับว่าเนี่ยมันข่าวปลอมมันเป็นเฟกนิวอย่าไปอย่าไปเผยแพร่ต่อเที่เราข่าวนีวแสงว่ามันมีคนเชื่อแล้วก็แพร่กันไปเป็นทอดๆจนกระทั่งหน่วยราชาการเนี่ย อยู่เฉยไม่ได้เพราะเพราะว่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับเลยรนะั่นโรคไตกับตดเนี่ยหรือการหายลมเนี่ยไม่ว่าจะหายลมเองหรือไปดมตดของคนอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับโรคไตเรื่องแบบนี้นี่ที่จริงมันไม่ต้องมีความรู้มากนะก็น่าจะอรู้ว่าเนี่ยมันทำแม่งทำแม่งแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยด้วยความปรารถนาดีมั้งก็เลยแพร่ไปให้คนรู้จักไปให้ ยาพี่น้องที่เป็นโรคไตจนกระทั่งกระจายไปเป็นวงกว้างจนหน่วยราชการอยู่เฉยไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้ามีสติสักหน่อยนะมันก็ต้องพิจารณาแล้วว่ามันจริงแค่ไหนนะอาจจะมีการตรวจสอบว่ามันเป็นข่าวลือข่าวเท็หรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้คนเนี่ยไม่ค่อยได้ยังคิดนะ เชื่อง่ายถ้าเชื่อง่ายไม่พอนะแพร่ข่าวกระจายข่าวที่มันเป็นเท็จนี่ง่ายมากเดี๋ยวนี้ผู้คนเนี่ยนะเผยแพร่ข่าวเท็จข่าวที่มันลวงโลกนี่กันเป็นว่าเล่นเลยทั้งทั้งที่มีความรู้นะแต่ว่าก็กลับ หลงเชื่อข้อมูลแบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าไม่รู้จักตรวจสอบและที่ไม่รู้จักตรวจสอบเพราะว่ามันเชื่อง่ายที่เชื่อง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่ามันมาจากคนรู้จักบางทีระมาจากครูบาอาจารยนะ์ก็เชื่อเลยนะอันนี้เรียกว่าเสพข้อมูลอย่างขาดสตินะยุคนี้เนี่ยมันต้องมีสติให้มากเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่เป็นเหยื่อนะ ของผู้มิฉาชีพนะแต่ว่าเราอาจจะเป็นผู้ประเภทว่าปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายก็ได้นะี่เยอะนะเดี๋ยวนี้ปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายเนะี่ยเผยแพร่ข่าวเท็จข่าวลวงนะเชื่อง่ายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะคิดใคร่ครวนเท่าไหร่รวมทั้งไม่อยากตรวจสอบมันก็เป็นความขี้เกียจความเกียดคร้านชนิดหนึ่งนะ ให้ความเกลียดค้านแบบนี้นี่มันตรายมากเลยความเกยียดค้านขี้เกยียจคิดขี้เกยียจพิจารณามันก็ทำให้เราเชื่อง่ายแล้วพอไม่อยากเพราะขี้เกยียจตรวจสอบมันก็ทําให้ปล่อยข่าวลือไปได้แพร่หลายแชร์กันเป็นว่าเล่นแล้วบางทีก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆที่เราปรารถนาดีนะะเรื่องการมีสติเนี่ยนะสำคัญมากแม้กระทั่งเรื่องธรมธรมดาธรรมดา เช่นการเสพไม่ว่าจะเป็นเสพอาหารหรือเสพข้อมูลนะให้มีสติให้มีความสึกตัวไว้นะอย่าพลิพ้วแผลมนะเพราะถ้าขาดสติมันลืมตัวแล้วพอลืมตัวแล้วมันก็ลืมอะไรต่ออะไรมากมายบางทีอาจจะถึงตายเลยก็ได้นะอย่างตัวอย่างที่เล่ามา